วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5พรพระในวัดของเราขนาดนี้วัดพระที่จำพรรษา49รูปนะกณัาญาติโยมลูกหลานและกพระที่ท่านบวชเข้ามาร่วมอีกสเป็นพระทั้งหมด ห้าสิบสองรูปพระในวัดของเราขนาดนี้นะแล้วก็ลงมาฉันลงมาฉันลงมาฉันจะหั น, นที่นับนรูปสี่สิบห้ารูปท่านไม่ลงมาฉันเจ็ดรูปบางคนอาจจะตาแหลมชอบนับเอ๊ะหลวงพ่อว่าพระห้าสิบสองเนี่ยทำไมมันมีสี่สิบเจ็ดรูปจ้อย มัมีสี่สิบห้ารูปนะว่าเนี่ยพระเขารายงานมาเดีวในป้ายนะหลวงพ่อก็อ่านตามดับป้ายที่เขาบอก <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพระลูกหลานผู้ที่เรียนจบใหม่ที่จะทำการทำงานก็เข้ามาบวชพ่อแม่พี่น้องก็อยากจะให้บวช ตัวเองก็ควรจะเป็นคนสุกซะก่อนไอ้ใครว่าบวชในพระพุทธศาสนาให้ได้ศึกษาธรรมะธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อเราได้ศึกษาธรรมะแล้วก็จะได้นําธรรมะเข้าไปเป็นเครื่องประคับประคองเป็นเครื่องดําเนินชีวิตด้วยศีลธรรมคุณธรรมศีลธรรมจเจริยธรรมที่ดีแต่บางคนก็อยากว่าเหมือนกันนะ ไม่ใช่จะได้ทุกคนแต่บางคนนิสัยดั้งเดิมมันไม่รับพอเข้ามากระเจิงยุในขณะที่เข้ามาคูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาศาสน้ำใสหลังนะพอพ้นจากวัดออกไปะสะบัดเพลิดนะึกว่าศาสน้ำใสหลังหมาเนะ <laughs> พอาสะบัดเพลิดออกไปมันก็ไม่มีน้ำติดหลังนะใช่หมเพราะมันสะบัดทิ้งนะ นี่กเหมือนกัรน่ยพ่อลูกพ่อหลานทั้งหลายนะให้ชุมช่มฉ่าให้ใจของเราชุม่มชุ่มฉ่ำไปด้วยธรรมะถ้าคนมีธรรมะในจิตในใจมันมีความพอเพียงเพียงพ อ, อทําอะไรจะทําอะไรจะคิดอะไรจะทําอะไรมันมีความเพียงพอพอเพียงอยู่ในจิตใจมันจะไม่เกินไป จะโกรธให้ใครก็ไม่จะไม่จะโกรธไปอะไรมากมายแต่จะรักใครก็ไม่รู้จะรักไปอะไรมากมายนักหนาเพราะชีวิตของเราเนี่ยก็ไม่รู้จ ะ, ะล่มสลายตายเมื่ อ, อไรไม่มีใครรับรองรับประกันได้สิ่งเหล่านี้ถ้าว่ามีคุณธรรมในจิตใจเราจะมีเบรกใจของเราจะมีเบรกถ้ารักก็ไม่รักเกินไปถ้าโกรธให้ใครก็ไม่โกรธเกินไปเพราะอะไร ใจของเรามีเบรกอันใมีคันมีคันเร่งด้วยในขณะอันไหนที่มันจะถูกต้องเป็นธรรมอันไดจะได้กำไรจะเป็นเงินเป็นทองเป็นถูกต้องเราก็เยียบ์คันเร่งไม่ขี้เกียร์ขี้คลาดในช่วงนั้นแต่ก็พร้อมกันกับมีพวงมาลัยหมุนทิศทางให้ไปในทางทิศ ท, ทางที่ถูกต้องในพวงมาลัย ในเมื่อชีวิตของเราเดินไปในทางที่ถูกต้องที่ถูกต้องนะอพร้อมกันกับมีขันเร่งในขณะที่มันผล ป, ประโยชน์มันเกิดขึ้นหรือทางมันว่างถ้ามันโล่งมันเป็นโอกาสของเร า, เ, าเราก็ต้องต้องมีคันเร่งเพืเอ่อฉ า, า, าบฉวยโอกาสนั้นถ้ามันมีอุปสรรคขึ้นมาเราก็เยเปลก เบลเเอาไว้มันจะไปชนขู่ชนคนชนชัดอันตรายเราก็ต้องมีเบลก็นี่แหละใจของเราก็ลักษณะอย่างนั้นถ้าวักคนเราถ้าหากวารู้จักใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรใช้ความอดทนอยู่ในตัวของเราการดำเนินชีวิตก็จะไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น รู้จักเขารู้จักเรารู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักผู้ที่อยู่รอบด้านรอบข้างอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนานๆหลวงพ่อจะได้เอามาขายายผลที่นึงอย่างพวกเราอยู่ดำเนินชีวิตของพวกเราในหลักของพระพุทธศาสนาทวัรทิศหก ทศหแต่พวกเราได้ยินแต่ทิศ ท, ทั้งสี่กับทิศ ท, ทั้งแปดนะทิศ ท, ทั้งสี่คือออกตกเหนือใต้ทิศสี่ทิศแปดก็คือปูรภาอาคเนทักศิลพายับในที่สุดนะอันนี้ทิศแปดแต่ทศหเนีย่ยพวกเรายัางไม่เคยได้ยินแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาอาจานยะบอกว่าทิศหอให้ให้ให เคารพคารวะหนอบน้อมกราบไหว้ทำตัวให้ถูกต้องต่อทิศทั้ง6มีแต่ความเจริญรวยส่วนเดียวไม่มีความเสื่อมถ้านอบน้อมคารวะทิศทั้งหกถ้าว่าทำไม่ถูกต้องต่อทิศทั้ง6มีแต่หนทางแห่งความชิบหายความชิบหายจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ต่อทิศทั้ง6อันนี้ก็คือในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เนี้ขยายผลสมัยหนึ่งในกรุงสวัสดีลูกชายของเศรษฐีไปเรียนที่เมืองตะกัชิลาสมัยนะั้นเมืองตะกัชิลาเป็นเมืองวิ ช, ชานะคณะสัาญญาตยาธิโยมลูกหลานทุกวันนั้นมันอยู่ที่ไหนเมืองตะกัชิลาเขาบอกว่าเนี่ยทาลีบัน เมืองทาลีบันเป็นเมืองตะกศิลาเก่าแก่ดึกดำบรรพ์เด้กๆก็เศรษฐีก็ลูกเศรษฐีไปเรียนเมืองตะกศิลาพอกลับมาแล้วก็พ่อก็ป่วยป่วยหนักพ่อก็สั่งเสียลูกชายพอมาแล้วก็จับมือลูกชายแล้วก็มองหน้าลูกชาย ล, ลูกเอ้ยท่านลูกจะบริหารกิจการงานของพ่อให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยให้ลูก เขารบนอบน้อมคารวะกราบไหว้ทิศทั้งหกนะลูกนะฮะนอบน้อมกราบไหว้ทิศทั้งหให้อ่อนน้อมให้คารวะทิศทั้งหกทั้งลูกชายนี่ก็ดูหน้าพ่อจากนั้นอาการพ่อก็เลยหนักป่วยไปก็เลยไปไม่รอดต่อมาต่อมาก็ลูกชายนี่ก็พ่อสั่งเสียอย่าง อย่างสุดซึ้งตรนั้นเก็จับมือมองหน้าก็พูดตลงพ่อพ่อคงจะสั่งสั่งเป็นคำสั่งที่ออกมาจากจิตใจของพ่อจริงๆให้เคารพนอบน้อมคารวะกาบไหวทิดทั้งหกจึงจะเจริญในหน้าที่การงานจากนั้นมาลูกชายพ่อเนี่ยจัดงานของพ่อยกอย่างสมเกียรติดีที่สุด าจากนั้นลูกชายเก็ตอนเช้ามาเคยับออกไปในที่ว่างๆที่โล่งๆคนในที่สนามห่างไกลจากคนในชายท้องนานะไม่มีคนเลกย ก, ออก็ยกมือไหว้ทิศตะวันออกยกมือไหว้ทิศตะวันตกยกมือไหว้ทิศเหนือยกมือไหว้ทิศใต้ยกมือไห ว, ว, ว้ขึ้นบนอากาศยกมือไหว้ลงแผ่นดินคร <c oughs> บหกพอดีใช่ไหมล่ะ <c oughs> มานบนะอมานสิงขารมานบยกขึ้นทั้งหกเทศแล้วก็เนีทำสามครั้งแล้วก็ไปกลับไปเข้าไปทำการทำงานไม่เคยขาดถึงจะฟ้ารอ้องฝนตกแดดออกหิมะหนาวขนาดไหนก็ตามสิงขลรมานบนั้นต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะว่าจะต้องปฏิบัติตามที่พ่อสั่ง เพราะว่าพ่อสั่งว่าให้เคารพคารวะทิศ ท, ทั้งหกจากนั้นก็พ่อก็ทํามานานทีเดียวเพราะพระเจ้าท่านเสด็จประทับอยู่ที่กรุงกรุงราชสักยึไม่ใช่กรุงสวรรค์ถีนะกรุงราชสักยึดท่านก็มองเห็นนี่แหละมองเห็นสิงคารมานพเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มเป็นผู้ตั้งใจจริงเป็นผู้เชื่อในผู้ใหญ่เชื่อใน บิดาของตนเองเอ่อให้ครับว่าคนเราเนี่ยมันถ้าหาว่าไม่เชื่อใครน่ะไม่ดีนะดันทูลังแต่นี้เป็นเด็กที่ว่าหมันเป็นเป็นเด็กที่มีเหตุผลเพราะพ่อสั่งให้พ่อสั่งให้ทําแล้วก็ต้องฟังตามที่พ่อสั่งปฏิบัติตามที่พ่อสั่งพ่อว่าต้องขอรพอ่อนน้อมคารวะกราบไหว้เขาก็ทําตามแต่พระพุพทธเจ้าเห็นว่าอืมมานพคนนี้เป็นคน มีเหตุผลเป็นคนที่อ่อนน้อมแล้วเขาเขามีอุปนิสัยด้วยเราควรจะไปโปรดเขาวันนี้เลยคือตอนใกล้สว่างพระพุทธองค์นั่งสมาธิเห็นชายหนุ่มคนนี้แนหะสิงคาลมานพเนาะเข้ามาในข่ายคือพยานนะคือเข้ามาในจอเรดาร์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านตอนตีสีตีสามตีสี่นะท่านจะ ตั้งจอเรดาร์สายไปทั่วโลกนะจะได้ไปโปรดใครวันนี้นะแต่นี้ก็สิงค์ขานลมานพกเข้ามาในจอในขายเข้ามาในจอเรดาร์ของพระพุทธเจ้าพระองค์น่าจะไปโปรดสิงค์ขานลมานพในเช้านี้จากนั้นพระ อ, องค์ก็ออกไปบินทบาทแล้วก็พระอานุ์เดินตามหลังเป็นปัจฉาสมะณะให้ข้าวเดินตามหลังเป็นไปด้วยกันสององค์ พอเดินไปก็ไปเห็นสิงขาลมานพเข mm hmm. ากําลังยกมือไหว้ทิศทั้งหกอยู่นะ เ, เหมือนกับนั่นแหะอะไรคนจีนออกออกกาลังกายนะยกซ้ายยกขวายกหน้ายกหลัง mm hmm. <c oughs> ทีนี้พระพุทธองค์ก็ถามว่าสิงขาลมานพเธอทําอะไรสิงขาลมานพตอบ ว, ว่ า, ข, าข้าพระองค์ข้าพระพุทเจ้า กราบคารวะกราบไหว้คารวะอ่อนนอ้อมต่อทิศทั้งหกพระเจ้าข้าเพื่ออะไรเพราะพร ะ, พระ บ, บิดาของข้าพระองคอ์ก่อนที่ท่านจะจากไปท่านได้สั่งว่า อ, อยากถ้าหาว่าต้องการความเจริญรุ่งเรืองมีความร่มเย็นผาสุขในหน้าที่การงาน ก, การบริหารจัดงานจัดการจัดงานแล้วก็ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกิจการหรือว่าตนเองแล้วก็ให้อ่อนน้อมกราบไหว้คารวะทิศทั้งหกนะลูกนะเพราะนั้นข้าพระองค์จึงได้มาปฏิบัติตามคำสั่งของของพ่อครับของคุณพ่อผมครับพระองค์บอกว่าสิงขารและมานพการทำอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของบัณฑิตนักปราช ที่เขาทํากันมาที่เขาปฏิบัติกันมาอันนี้เป็นเธอพ่อของเธอได้อธิบายให้ฟังไหมว่าทิศทั้งหนั่นคืออะไรไม่พระเจ้าข่าเนี่ถ้า ง, งั้นไม่น่าจะถูกถ้าทางที่ถูกแล้วเนี่ยตามบัณฑิตนักปราชญ์ของเขาแนะนําสั่งสอนกันมาเขาจะไม่ทํากันอย่างนี้นะสิงคโปละมนุษย์เธอ อ, อยากจะฟังไหมอยากจะรู้ไหม ครับอยากจะฟังอยากจะรู้พระเจ้าข่าบอกเขาชอบการเรียนรู้อยู่แล้วเอาท่านงนั้นฟังยืนฟังสิงขาลมานุก็ยืนประนมมือฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าสิงขาลมานุกทิศ ท, ทั้งหตามโบราณตามโบราณการตามบัณฑิตนักปราชญ์ที่เขาสอนกันมาทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาบุตร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 เราต้องเลี้ยงท่านต่อแล้วก็ทำกิจธุระของท่านดารงวงศกุลประพฤตตอนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือเป็นหน้าที่ของบุตรทีดาปฏิบัติให้ถูกต้องต่อทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันจดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมายให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกัน อ, อ, อย่าออนอกลู่ออกนอกลู่นอกทางสามีภรรยาจิตที่อยู่ด้วยกันอย่าออกนอกลู่นอกทางให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีตาม ก, กฎกติกาประเพณีที่ทางโลกที่ยอมรับกันถ้าสามีก็ตามภรรยาก็ตามออกนอกลู่นอกลู่นอกทางแล้ว ครอบครัวนั้นอย่าหวังเลยความสงบร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นมีแต่ความแตกกระจายกระจุยกระจายหาความอารมเย็นเป็นสุขไม่ได้ในครอบครัวเพราะนั้นเธอต้องปฏิบัติให้ถูกต้องอันนี้คือทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์คนเราเกิดมาต้องมีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอตั้งแต่เกิดขึ้นมากับพ่อแม่เป็นบุพก า, ารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุท ธ, ธิดาแนะนําบุตรธิดาให้รู้จัก เรื่องต่างๆตอนมาพ่อแมอ่สอนเป็นรู้จักแนวทางพอชงคัวรแล้วก็ส่งเข้าโรงเรียนเมื่อส่งเข้าโรงเรียนโรงเรียนก็สอนอีกส่งเป็นทอดๆกันไปจนถึงอนุบาลประถมะมัธยมปัญญาตรีโทเอกเอไม่มีที่สิ้นจุดในการเรียนการศึกษาอันนี้ก็คือจัดว่าเป็นครูบาอาจารย์ถ้าว่าเด็ก ใครเขาตามเกิดมาแล้วไม่ไม่ได้รับการศึกษาไม่มีครูบาจะแนะนำสั่งสอนเด็กคนนั้นอย่าหวังเลยความจเจริญหรือว่าความเฉลียวฉลาดจะเกิดขึ้นมาได้เพราะนั้นต้องอาศัยครูบาอาจารย์ซะก่อนอันนี้ก็คือทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราต้องมีหมู่มีเพื่อนมีพักมีพวกมีกรัลรยาณมิตรดายาไปคบปลาปม่มิตรมิตรชั่ว มิดชั่วคืออะไรมิตรชวน ค, คือชวนกันดื่มน้าเมาเที่ยวกันเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติคา้านทําการนะงานอันนี้ว่าปาปะมิตดชวนไปค้าของเถื่อนค้ายาบ้ายาม마คันชายาฝิ่นเฮโรอี น, นค้าอาวุธอันนี้เรียกว่าปาปะมิตดมิตรที่ไม่ดีชวนกันไปทําความชั่วพอทําเสร็จแล้วเน่ยเข้าคุกเข้าตรางนะว่าตัวเองฉลาด พอเจ้าหน้าที่เขาจับได้แล้วขนานั้นอ่ะออมีแต่เสียหายนี่แหละอันนี้ก็าบก่กปาปะมิตรเพราะานั้นท่านให้พบกันญญาณมิตรมิตรที่ดีถ้าคนมีกัญญาณมิตรที่ดีการทํามาค้าขายมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันมิตรเป็นยังไงมิตรสหายเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นยังไงมิตรสหายเป็นอย่างงั้นคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรักเมตตากัน ไว้เนื้อเชื่อใจกันอันนั้นคือการยา น, นมิตรที่แท้จริงอันนี้ควรจะมีถ้ามีการยา น, นมิตรอย่างนี้มากมากความเจริญของเราก็จ ะ, จะมีแต่ความเจริญเพราะว่ากิจการงานของเราก็จะก้าวหน้าไปได้เพราะมีมิตรที่ดีถ้ามีปาปมิตรแล้วก็อย่าหวังมีแต่ความเจริญมีแต่ความจิบหายอันนี้ก็คือทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่าลูกน้องบริวาร ลูกน้องบริวารก็จำเป็นสำคัญเมื่อเราได้ทามาค้าขายขึ้นมาแกระแบ่งสันปันส่วนให้เหมาะสมการเป็นอยู่ของลูกน้องให้เขาอยู่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลเขา เ, เรามีความจำเป็นเราก็ต้องมองเขาไม่ใช่ว่า เ, เป็นคนอื่นถ้าว่าพวกเราดูแลเขาไม่ดีเขาก็ดูแลเจ้านายไม่ดีเหมือนกัน กิจการงานของเขาเขากระทาเฉพาะต่อหน้าแต่รับหลังเนะ่ยเขาจะไม่รับผิดชอบในหน้าที่การงานที่เจ้านายตัวเองมีถ้าว่าคนถ้าเราเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงเขาดเีเขาก็ดูแลเจ้านายกิจการงานของเราเพราะฉะนั้นลูกน้องบริวารก็จําเป็นสําคัญอันนี้คือทิศเบื้องต่ําคือลูกน้องบริวารคือบ่าวทิศเบื้องบนสมณะพราหมณ์สมณะพราหมณ์นเนีเ่ยอย่างครูบาอาจารย์อย่างลูก พ่อหลวงปู่หลวงตาเนี่ยสมณพราหมณ์้ำเมื่ อ, เ, อ, อมเมื่อเราเข้ามากับถามไถ่ายเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมการกระทําการมีศีลธรรมอย่างนี้ถูกต้องผิดไหมถูกต้องไหมดําเนินชีวิตยอย่างนี้เป็นอย่างไรสมณสมณพลามผู้ได้ศึกษาในจริยะคือความประพฤต์ก็จะได้แนะนําสั่งสอนออคุณลบุตรทั้งหลายให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควร นี่แหละสิงขารมานพถ้าเธอปฏิบัติอย่างที่เราพูดเนี่ยบัณฑิตนักปราชญ์เขาถือกันมาปฏิบัติกันมาเธอจะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวไม่มีความเสื่อมออท่านจงจำไว้นี่อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนสิงขารมานพถ้าเมื่อสอนมา 2,558 ปีแล้วนะแต่พวกเรานำมาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลก็ มีเหตุมีผลในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนสิงขารมานพในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าพวกเรานํามาประพฤติธปฏิบัติก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปพวกเราคิดดูสิด้วยเหตุผลที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนสิงขารมานพในครั้งนั้นครั้งนู้นเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาถ้าปล่อยปละละเลยละ่ะ ออถ้าเผลอเผลอทะเลาะกับพ่อแม่อีกต่างหากพ่อแม่ไล่ออกจากกองมรดกไม่ให้มรดกเออเ อ, อ, อีนี่บักนี้ออมึงทําตัวไม่ดียามาใกล้กูนะเราจะเป็นยังไงเออจะหาความเจริญได้ยังไงทุกอกทุกใจวันนี้สู่กับเป็นอริศัตรูเออเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับพวกลูกลูกหลานพวกลูกพวกหลานด้วยกัน เ, ออเพราะฉะนั้นเราให้รู้จักสถานะเมื่อเราเลี้ย พ่อแม่เลี้ยงดูเราม า, เ, าเลี้ยงดูเห็นไหมเมื่อเราเกิดขึ้นมาเป็นเด็กตัวน้อยอแบะเบาอยู่นั่นนะเป็นยังไงพ่อแม่ประครบประง ม, มถึงขนาดไหนเราจึงเป็นผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้แต่พอเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วทําไมจึงลืมตัวถึงขนาดนี้เอาใจใจตัวเองมันถูกต้องไหมเอ๋สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะนะ่ะโอ้พณัิ่โงมองตนเองถ้าพวกเรามองตนเองแล้ว่ะเราจะรู้ว่า สิ่งอะไนควรสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนไม่ถู ก, ถกต้องถ้าพวกเราทำถูกต้องตามคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมตามพุทธประเพณีของพระพุทธศาสนาแล้วนะหลวงพ่อหวังว่ามีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว น, ะว น, นั้นวันนี้หลวงพ่อได้บอกกล่าวแนะนำพระลูกพระหลานศรัทธาญาติโยม ให้ได้ฟังวัดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แต่สอนทำจิตให้สงบอย่างเดียวนะท่านสอนให้การประพฤติปฏิบัติวางตัวอย่างไรมีต่างมากมายแต่เราได้ศึกษาแล้วมีแต่คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีให้สรุปแล้วก็คือเขาเราเขาเราอย่างศีลห้าเหมือนกันไม่ใช่อื่นไกลเมื่อเราไปฆ่าเขาศีลห้าข้อที่หนึ่งในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขามีความรู้สึกอย่างไร ในเมื่อเขามาฆ่าเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเขาล่ะเขามีความรู้สึกอย่างไงในเมื่อเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไงเราเมื่อเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราแบบไปประพฤติผิดต่อลูกเมียสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเขามากระทําให้กับเรา เรามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเราไปโกหกเขาเขากลกมาโกหกโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราไปทําให้กับเขาล่ะเขามีความรู้สึกอย่างไรสรุปแล้วก็คือเขาเราเขาเราในเมื่อเราไม่ชอบเราก็ไม่ควรจะทําให้กับเขาในเมื่อเขาก็เหมือนกันต่างคนต่างเห็นคุณค่าเอต้องคุณธรรมศีลธรรมก็ไม่ควรจะทํา ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอแต่สินข้อที่ห้าเป็นสินส่วนตัวจะไปดื่มสุราและเมลยัยคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนให้ขาดสติถ้าเมื่อคนขาดสติแล้วทำความชั่วใ้ทุกอย่างไปเลยเพราะคนขาดสติหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบ ว, ว่าสินข้อที่ห้าเหมือนอสาลาหลังนี้แหละหลังคาหลังคาส า, าลาหลวงพ่อว่านะหลังคาสาลา ถ้าหลังศาลาหลังนี้ไม่มีหลังคานะเออไม่มีกระเบื้องไม่มีสังกะสีมุงเวลาฝนตกมาเราจะอยู่ยังไงเวลาแดดออกมาเราจะอยู่ยังไงศาลาเนี่เสียหายหมด เ, เพราะไม่มีหลังคามุงนี่ก็เหมือนกันคนคนหนึ่งนะ่ะถ้าขาดชติเสยอย่างเดียวเท่านั้นนะคนเป็นบ้าใชเงินคําทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลล่ํารวยขนาดไหนก็รวยเถอะถ้าคนนั้นเป็นบ้าเสอย่างเดียว ในเมื่อคนนั้นเป็นบ้าแล้วนะั่นนะจีบหายหมดทั้งครอบครัวทั้งตัวเองหาคุณค่าไม่ได้เลยเนี่ก็เหมือนกันนะั่นแหะพวกเราคิดดูให้ดีซิเจริงไหมที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังนะเ่ยพวกเราอยากจะเป็นบ้าไหม เ, เป็นบ้าชั่วคราวดีไหมถ้าเป็นบ้า ต, ตลอดไปเป็นยังไง เ, เป็นบ้าที่ไหนเขาว่าบ้ามันไม่ดีทางนั่นแหละเออเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักคุณค่า อย่าไปเสพอย่าไปดื่มสิ่งที่มันจะทำให้เสียหายลูกพวกเท็ดทั้งหลายที่ออกไปหลวงพ่อถามไอ้เท็ดถ้าสึกออกไปแล้วจะไปดื่มเหล้านะงดก็ดีเหมือนกันนะจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะแต่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออินเนี่ยเราจะไปดื่มนะผมคงจะงดไม่ได้เด็ดขาดครับหลวงพอ่อเอาทาไมเพราะว่าผมเข้ากับหมูกับเพื่อนทําไม่ ดื่มเหล้าน่ยกลัวจะไม่กลัวจะไม่มีหมู่ฮะเอออันนั้นคิดผิดคิดผิดจะแล้วอันนั้นคิดแบบโบราณเขาเขาคิดกันต้องคิดแบบรุ่นใหม่สิคิดแบบอย่างหลวงพ่อนหลวงพ่อนี่คิดแบบรุ่นใหม่นะเออให้คิดดูสิว่าคนที่ดื่มเหล้าน่ยในวันเกิดของเขาก็จัดงานเลยสิเออแต่กัมามาเปรียบเทียบกับหลวงพ่ออินเลยสิหลวงพ่ออินไม่กินเหล้านะ ให้มาดูนะวันที่27่สิบเจเมษาคนมามากขนาดไหนโรงทานตั้งร้อยส0งกว่าโรงนะ่ะโรงทานคนที่กินเหล้านาะมาเปรียบเทียบกันกับหลวงพ่ออินดูกันแล้วกันนะเพราะนั้นเราจะไปคิดว่าคนที่กินเหล้าเนะี่ยจะมีหมูมีเพื่อนมากคนที่ไม่กินเหล้านาะคนมีหมูมีเพื่อนมากอย่างหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่อว่าดนะยกหลวงพ่ออินเลกหน่อยเหมือนกันนะลูกหลานนะเอาตอนนี้ไป รับพอในทีวเองเนอะห <c oughs> ลวงพ่อพูดยาวละวันนี้